ธรรมบทแปลเรื่องที่178เรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถามข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อทรงอาศัยเมืองสาเกตประทับอยู่ในอัญชวันทรงปรารบปัญหาที่ภิกษุทั้งหลายทูลถามตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอาหิงสกาเยเป็นต้น ตอนสองผัวเมียแสดงตนเป็นพุทธปีดาและพุทธมารดาดังได้สดับมาในการที่พระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จเข้าไปเมืองสาเกตเพื่อบินทบาทพรามเท่าชาวเมืองสาเกตคนหนึ่งกำลังเดินออกไปจากพระนครพบพระทศพลที่ระหว่างประตู จึงมอบลงแทบพระบาททั้งสองแล้วจับที่ข้อพระบาทไว้มั่นพลางกล่าวว่าพ่อธรรมดามารดาและบิดาอันพวกลูกชายพึงประคบประหงมในเวลาที่ท่านชราแล้วไม่ใช่หรือเหตุไรเล่าพ่อจึงไม่แสดงตนให้ปรากฏแก่ข้าพระองค์สิ้นการประมาณเพียงนี้ พระองค์อันข้าพระองค์เห็นก่อนขอพระองค์จงเสด็จมาเยี่ยมมารดาบ้างดังนี้แล้วก็ได้พาพระศัส ด, สดาไปสู่เรือนของตนพระศัส ด, สดาเสด็จไปเที่ยวเรือนนั้นแล้วประทับนั่งเหนืออาสนะซึ่งปูราดไว้กับด้วยภิกษุสงฆ์ฝ่ายพระมณีมาหมอบแทบพระบาททั้งสองของพระศัสดาแล้วทูลว่า พ่อพ่อเป็นผู้ไปเสียที่ไหนสิ้นการประมาณเพียงนี้ธรรมดามารดาและบิดาอันบุทธิดาควรบำรงในเวลาที่ท่านแก่เท่าไม่ใช่หรือแล้วให้บุตรและธิดาทั้งหลายถวายบังคมด้วยคำว่าพวกเจ้าจงมาจงถวายบังคมพระพี่ชายแม้สองสามีภรรยา น, นั้น มีใจยินดีเลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกแล้วทูลว่าพระเจ้าค่าขอพระองค์จงทรงรับภิกษะที่เรือนนี้แหละเป็นนิดเมื่อพระศัสดาตรัสว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงรับภิกษะเป็นนิดในที่แห่งเดียวเท่านั้นจึงกราบทูลว่า ถ้ากระนั้นก่อพระองค์พึงส่งพวกคนที่มาเพื่อนิมนต์พระองค์ไปที่สำนักของข้าพระองค์พระเจ้าข้าจำเดินแต่นั้นพระสัสดาทรงส่งพวกคนที่มาเพื่อนิมนต์ไปด้วยพระดํารัสว่าพวกท่านจงไปบอกแก่พราม์เถิดคนที่มานิมนต์เหล่านั้นย่อมไปบอกกับพราม์ว่า เราทั้งหลายย่อมนิมนต์พระสัสดาเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้ในวันรุ่งขึ้นพรามย่อมถือภาชนะพัดและภาชนะแกงจากเรือนของตนไปสู่สถานที่พระสัสดาประทับนั่งอยู่ก็ในเมื่อการนิมนต์ไปฉันในที่อื่นไม่มีพระสัสดาย่อมทรงทรรมพัตกิจเรรอนของพรามนั้นแล แม้สองสามีภรรยานั้นถวายทยธรรมของตนแด่พระตถาคตอยู่ฟังธรรมกถาอยู่ตลอดการเป็นนิดเบลุอนาคามิผลแล้วตอนพระสัสดาตรัสบุรพประวัติของพรามภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพรามชื่อโ น, น้นรู้ว่า พระเจ้าสุทธโทธนะเป็นพระบิดาของพระตถาคตพระนางเจ้ามหามายาเป็นพระมารดาทั้งรู้อยู่อย่างนั้นแหละพร้อมกับพราหมณีเรียกพระตถาคตว่าบุตรของเราฝ่ายพระสัส ด, สดาก็ทรงรับรองอย่างนั้นเหมือนกันจากมีเหตุอะไรหนอแหลพระสัส ด, สดา ทรงสดับกถาของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทั้งสองสามีภริยานั้นย่อมเรียกบุตรของตนเท่านั้นว่าบุตรดังนี้แล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาทรงแสดงความที่พระองค์เป็นบุตรของพราหมณ์ผัวเมียทั้งสองนั้นสิ้นสามพันชาติว่าภิกษุทั้งหลายในอดีตการ าารามนี้ได้เป็นบิดาของเรา500ชาติติดติดกันเป็นอาของเรา500ชาติติดติดกันเป็นลุงของเราห้าร้ยชาติถึงพราหมณีนั้นก็ได้เป็นมารดาของเรา500ชาติติดติดกันเป็นน้าของเราห้าร้อยชาติเป็นป้าของเราห้าร้อยชาติเราเป็นผู้เจริญแล้ว ในมือของพรามหมณ์งพ0ชาติเจริญแล้วในมือพรามณี 1,500 ชาติอย่างนี้แล้วได้ทรงภาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่ายัตสมิงมโนนิวีสติจิตตัญจาปิประสีดติอดิททะปุปเกโปเซกามังตดสมิงปิวิสเซ ปกเบวะสันนิวาเซนะปัจจุ ป, ปันนะหิเตนวาเอวันตังจายเตเปมังอุปลังวะยะโโธดเกใจย่อมจดจ่อแม้จิตก็เลื่อมใสในบุคคลใดเขาย่อมสนิทสนมในบุคคลแม้นั้นซึ่งตนไม่เคยเห็นโดยแท้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 พระศัสดาทรงอาศัยตระกูลนั้นประทับอยู่แล้วสิ้นไตรมาสนั่นแลฝ่ายพราหมณ์และพราหมณีทั้งสองนั้นทําให้แจ้งซึ่งอรหัตผลแล้วก็ปรินิพานคราวนั้นชนทั้งหลายทําสการะอย่างมากมายแก่พราหมณ์และพราหมณีเหล่านั้นแล้วก็ยกทั้งสองคนขึ้นสู่เรือนยอดหลังเดียวกันนั่นแหละนาไปแล้ว แม้พระสัสดามีภิกษุห0 0รูปเป็นบริวารได้เสด็จไปยังป่าช้ากับชนเหล่านั้นเหมือนกันมหาชนออกไปแล้วด้วยคิดว่าได้ยินว่าพระมารดาและพระบิดาของพระพุทธเจ้าทากาละเสียแล้วพระสัสดาได้เสด็จเข้าไปยังศาลาหลังหนึ่งในที่ใกล้ป่าช้าประทับยืนอยู่แล้ว พวกมนุษย์ถวายบังคมพระศาสดาแล้วยืนณส่วนข้างหนึ่งทำปฏิสันถานกับพระศัสดาด้วยทูลว่าพระเจ้าข่าขอพระองค์อย่าทรงคิดว่าพระมารดาและพระบิดาของพระองค์ทำกาละแล้วตอนพระศัสดาตรัสชราสูตรพระศัสดา ไม่ทรงห้ามคนเหล่านั้นเลยว่าพวกเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นทรงตรวจดูอัธยาศัยของบริษัทแล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมให้เหมาะแก่ขณะนั้นจึงตรัสชราสูตรนี้โดยในเป็นต้นว่าอปังวะัตะจีวิตังอีดังโอรังวะัสะสะตาปิมียติโยเจปิอติจะจีวติ อัทโคโซเจราซาปิมียติชีวิตนี้น้อยหนอสัตว์ย่อมตายหย่อนแม้กว่าร้อยปีแม้หาผู้ใดเป็นอยู่เกินไปผู้นั้นย่อมตายแม้เพราะชราโดยแท้ในการจบเทศนาธรรมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์ 84,000 พแล้วภิกษุทั้งหลาย เมื่อไม่ทราบความที่พราม์และพรามณีปรินิพานแล้วจึงทูลถามว่าพบหน้าของพราม์และพรามณีนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าค่าตอนพระอเศขมุนีไปสู่ฐานะที่ไม่จุติพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าอภิสัมปรายพของพระอเสขมุณีทั้งหลายผู้เห็นป่านนั้นย่อมไม่มีเพราะว่าพระอเสขมนีผู้เห็นป่านนั้นยอ่ม อ, มนนนนยอมบรรลุมหานิพพานอันไม่จุติอันไม่ตายดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอาหิงส ก, กาเยมุนโยนิจังกาเยนะสร้างหูตา เตยันติอัจุตังทวานังยัถะกันตวานโซจเรมุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมแล้วด้วยกายเป็นนิดมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ฐานะอันไม่จุติซึ่งเป็นที่คนทั้งหลายไปแล้วไม่เศร้าโศกก่อนแก้อัด บรรดาบทเหล่านั้นบทว่ามุนโยคือพระอเศขมุนีทั้งหลายบรรลุมรักและผลด้วยโมนยะปฏิปทาบทว่ากาเยนะนั่นสักว่าเป็นหัวข้อเทศนาเท่านั้นอธิบายว่าสํารวมแล้วด้วยทวารแม้ทั้งสามบทว่าอัจุตังได้แก่ เที่ยงบทว่าท่านังได้แก่ฐานะที่ไม่กำเริบคือฐานะที่ยั่งยืนบทว่ายัถะเป็นต้นความว่ามุนีทั้งหลายย่อมไปสู่ฐานะคือพระนิพพานซึ่งเป็นที่คนทั้งหลายไปแล้วไม่เศร้าโศกคือไม่เดือดร้อนในการจบเทศนาชนเป็นอันมาก บรร ล, ลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถามจบ